ขอพวกเราซึ่งเป็นสิทญาณุสิทธิของหลวงปู่เสิมพุทธาชาโรหรือท่านเจ้าคุณยานะศิทธาจารย์ซึ่งท่านได้ถึงแก่การวรณะภาไปเราซึ่งเป็นสิจญาณุสิท์ ไม่มีสิ่งใดที่จะบูชาคุณของท่านให้คู่ควรแก่ท่านผู้บุธก า, ารีมีพระคุณแก่เราเป็นอันมากนอกจากปฏิบัติตามโอวาสคำสั่งสอนของท่านด้วยปฏิปฏิบูชาเราได้มา ส่งเสริมการปฏิบัติตามโอวาทของท่านในร่วมกันมาจัดพิธีทางพระพุทธศาสนาในเวลาที่จะพระราชทานเพลิงศพ ข, ของหลวงปู่ก็ได้มาพร้อมเพียงกันจะมาซึ่งอยู่ไกลแสนไกลเมื่อละลึกถึงพระคุณของท่านแล้ว อุสาพยายามมาที่แรกคิดว่าจะมาเฉพาะเจาะจงท่านเมื่อเสร็จแล้วจะเรียบกลับได้ทราบข่าวว่าจะพระราชจะทานเพลิงศพในเดือนกุมภาวันในเดือนมกราเราก็คิดว่าเดินทางมา อยู่ในระยะเดินหนึ่งแล้วก็จะกลับไปรับภาระกิจในทางสหรัฐอเมริกาที่ยัง้างอยู่แต่เมื่อมาแล้วเป็นอันวันเลื่อนเวลาจนมาถึงเดือนกุมภาพันธ์โดยตัดสินใจว่าในไหนเราก็มาแล้วก็พยายามอยู่ต่อไปอีกจนถึงวันนี้ การที่ได้รับอรราชนาแสดงทธรรมในวันนี้นั้นโดยความจำเป็นเสียงก็ไม่สะดวกเป็นหวัดมาแล้วก็ไม่ได้คิดนึกว่าเราจะได้มาแสดงธรรมถ้าหากขาดตกบกพร่องประการใดขอให้เราทั้งหลายผู้ฟังซึ่งเป็นจิตญาณุจิตของลงปูด่ด้วยกัน ให้อภัยแต่พูดแสดงเพราะเสียงมันเป็นธรรมชาติเป็นขึ้นมาเองเราก็แก้ไขไปอย่างอื่นไม่ได้มันก็เป็นความจริงข้อนหนึ่งที่เรียกว่ามันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นถึงอย่างไรก็ตามให้ถือว่าเป็นการฟังธรรม คำสั่งสอนที่มีอยู่ในเนื้อธรรมเหล่านั้นเลือกนำไปใช้ให้เหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์พอที่จะเป็นไปได้สมควรเกิดการปฏิบัติเพราะฉะนั้นขอรันทั้งหลายจงสํารวมกายและสํารวมใจตั้งใจฟังธรมเตาไปนะโมตจสะ พระกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบูชัสสะนโมตัสสะพะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบูัสสะนโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบัสสะมรณะภวิสติ บัดนี้จะได้แสดงธรรมมีตถาเป็นเครื่องศึกษาและปฏิบัติของพวกเราพุทธบริษัททั้งคารหัดและบรรพชิตซึ่งได้มาประชุมอยู่นสถานที่นี้เนื่องด้วยประริที พระราชทานเพลิงศพ ข, ของหลวงปู่ที่เราทั้งหลายทราบดีอยู่แล้วได้มาพร้อมเพรียงกันแล้วได้บำเพ็ญบุญกุศลตามความเคารพเลื่อมใสพอใจให้สมบูรณ์บริบูรณ์ของตน ได้บาเพ็ญกุศลมาตามลำดับจนถึงในวันนี้ตอนนี้เราก็อยากบาเพ็ญกุศลให้ยิ่งขึ้นไปใครเพื่อจะฟังธรรมนำไปศึกษาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนของตนให้บังเกิดผลความสุขความเจริญ ในธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าใช่ว่าเราทั้งหลายเป็นคนไม่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังและเป็นคนยังไม่รู้ธรรมยังไม่ได้สะเพรพิปฏิบัติทมล้วนแต่เราทั้งหลายเคยได้ยินได้ฟังมามากต่อมาออแล้วได้จดจำธรรมะมามากต่อมา แล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องกันอยู่เสมอแต่คำว่าธรรมภาพาสิทธนั้นทานว่าธรรมของบัณฑิตนะธรรมทั้งหลายไม่รู้จักเบื่อสำหรับบุคคลที่เป็นบัณฑิตไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จักพอเพราะธรรมของขคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ยิ่งฟังเท่าใดก็ยิ่งลึกซึ้งตามลำดับยิ่งรู้มากเท่าใดก็ยิ่งจะลึกซึ้งไปตามลำดับตามลำดับยิ่งปฏิบัติตามเท่าไรก็ยิ่งลึกซึ้งทำให้เกิดศรัทธาทำให้เกิดความเพียรพยายามตามลาดับลาดับไม่มีวันใดที่จะทอดทิ้อย่าว่าแต่พวกเราแม้แต่พระ อริยสงสารผู้เป็นพระอราหันต์ทั้งหลายท่านได้สำเร็จจิจแล้วแทนที่จะท่านจะยุ่งสวยสุขเพราะการสำเร็จแต่ท่านยังยินดีในธรรมในการปฏิบัติธรรมในการประพฤติธรรมไม่ได้ลดละไม่ได้ทอถอยไม่ได้ยกเลิกในการปฏิบัติ ตลอดถึงทุดงข้อวัดอยู่ป่าอยู่เขาต่างๆปฏิบัติจนสิ้นชีวิตจนชีวิตสุดท้ายแม้แต่องค <c oughs> ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันแม้พระองค์เป็นแล่ทรัพพันอยู่รัตสรู้ดีชอบเองแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ยกเลิกเพียงแต่ ได้ตรัสรู้แล้วเพียงพ่ออยู่สวรความสุขถึงแม้ว่าพระองค์จะไม่ปฏิบัติพระองค์จะทอดทุราปล่อยวางแล้วกิเลสดวงไหนมันจะเกิดขึ้นมาอีกเพราะพระองค์เิ้นเชิงแล้วแต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ปฏิบัติเป็นผู้นาเป็นเยี่ยงยาม ในการอยู่ป่าในการสํารวมในการรักษาในการปฏิบัติเพื่อความสงบบางครั้งบางคราวพระองค์ก็หลีกเก่นไม่ให้ใครใครเข้าไปยู่สงบสงัดถึงเจ็ดวันเขานิโรธจะมาบัติอยู่แต่ลำพังพระองค์ ไม่ให้พระพิสุสงฆ์องค์ใดเข้าไปครุกคลีหรือแม้อบายสกอบายศึกาเข้าไปครุกคลีนี่พระองค์ยังมีความเพียรยังมีความพยายามไม่ลดละไม่เพียงพอพระองค์ไม่ได้ประมาทพระองค์ทุดองอยู่ป่าจนชีวิตสุดท้ายเอไปปริเนปานอยู่ในป่า มันลักษณะเมืองกุสินารายเดินธุ ด, ดงจนวันสุดท้ายลองคิดดูที่ท่านมีความเพียรพยายามองค์พระศาสดาของเราเพราะฉะนั้นจึงว่าธรรมะจึงเป็นที่ไม่รู้จักอิมไม่รู้จักเบื่อของผู้รู้ธรรมปฏิบัติธรรม ยิ่งปฏิบัติเท่าไรยิ่งลึกซึ้งไปตามระดับยิ่งมีจัดทธา ย, ยิ่งมีความเลื่อมใสยิ่งให้เกิดความเพียรเป็นกำลังใจขึ้นมาเราทั้งหลายผู้เป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเราสาหรับหลวงปู่ของเราเราก็ทราบดีอยู่แล้ว ท่านพาพวกเราอยู่ภูอยู่เขาอยู่ที่งสงบสงัดท่านอุตส่าห์ถึงร่างกายชราเกะแก่ชราค้ำค่ า, าแล้วท่านก็อุตส่าห์พาร่างกายมาอยู่ในที่อย่างนี้เพื่อประสงค์อะไรเพื่อประสงค์พวกเราผู้เป็นลูกศิษห์มอบนิสัยมอบมรดกเป็นปัใจจัยในการฝึก หัดอบรมในการอยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่ภูเขาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกในการที่จะเจริญสมณะธรรมเพื่อให้ได้ความสงบสงัดทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางจิตใจเราทั้งหลายทราบอยู่แล้วว่า ความสุ kn ั้นไม่ได้อยู่ที่วัตถุเข้าของเงินทองอยู่ที่ร่ํารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในศาสนาธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าในธรรมวินัยนี้พระองค์ทรงสัตว์ว่านัตถิสันติป ร, รังสุขขังท่านว่าโชคเอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่นท่านเชิดความสุขอยู่ที่ความสงบและความสงบ ไม่ได้อยู่ที่วัตถุมากๆากดีๆสวยๆงามงามวัตถุที่ดีๆสวยๆงามงามที่ทำให้เราเพลิดเพลินทาให้เราปลื้มใจนั่นท่นานทราบหรือเปล่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอย่างไรนั่นแหละเป็นตัวสมุทัยเป็นตัวที่ให้เกิดตัณหาภูงแใจทานยาท คนทั้งหลายชอบแต่สิ่งเชื้อสวยงามงามชอบแต่สิ่งที่ตนรักชอบสิดชนยินดีพยายามปรุงแต่งแสวงหาใครเล่าได้ความสงบสิ่งเหล่านั้นหรือมาปรุงให้ความสงบเมื่อไม่มีความสงบแล้วความสุขจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมักประกอบไปด้วยองแฝดประการนั้นแหลเป็นเหตุให้เกิดความสงบนี่ ถ้าเราต้องหลายต้องการความสงบอย่างแท้จริงในทางศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้มามักประกอบไปด้วยองค์แปย่อมาก็คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นเหตุให้เกิดความสุขศีลก็มีการแต่สมาทานแ่มีแต่กล่าว แล้วไม่ได้รู้จักว่าศีลอยู่ที่ไหนไม่ได้มองดูไม่ไดไ้แก้ไขนึกว่าเราสมาทานจากพระท่านให้ศี น, นึกว่าเราก็ได้ศีนพอมีพิ ธ, ธีทางศาสนาใดๆก็พากันสมาทานศีนศีนนั่นมีความสงบเป็นผล จึงเรียกว่าสเสลนสุกติยันตุถ้าเราศาสินไม่เกิดความสงบแล้วจะเอาความสุขตรงไหนทีนี้จะมีปัญหาว่าสินจะเกิดความสงบได้อย่างไรสินก็เพื่อเกิดความสงบทางตายทางวาจาไม่มีแวนไม่มีภัย ไม่ทะเลาะวิวาดกันทางไาวจา ก, ก็ได้ความสงบส่วนหนึ่งบุคคลผู้นั้นไปอยู่ที่ไหนเข้ากับใครก็ไม่ทะเลาะกันไม่ขัดแย้งกันไม่มีเรื่องไม่มีราวก็ได้ความสุขเป็นที่รักของบุคคลผู้มีศินด้วยกันนี่แหละส่วนหนึ่งของความสงบของการเป็นผู้มีศินรักษาศินแล้วสมาทานแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ทะเลาะกันบ่อย พิกันบ่อยๆนี่หรือเรารักษาวาจาให้เรียบร้อยเรียบร้อยหรือการทะเลาะการพิจกัน <c oughs> เรารู้จักแต่พิขาหมดไม่รู้จักตัวศีงทางกายก็เผลอไม่ได้เข้าของในวัดในวาเไปทําบุญให้ทานบางทีก็เผลอไม่ได้ขโมยกัน ของ ด, ดีเห็นก็เปลี่ยนเอาของไม่ดีก็เปลี่ยนเอาไปมีอย่างนี้อยู่ทั่วไปทำอย่างนี้จะได้ความสุขหรือเพราะมันไม่มีความสงบมีแต่เวรมีแต่ภยัยเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจผิดไปวัดกับไปแล้วรักษาศีลรัษาแล้วไม่เห็นว่าได้ความสุขตรงไหนไมเมอนจะเกิดขึ้นตรงไหน สินเข้าใจว่าคงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำแล้วก็ บ, บุญพอยดลบันดาลให้ได้ความสุขเมื่อตรัใดเราทั้งหลายยังไม่มีปัญญาเห็นชัดในเรื่องสินว่ายอยู่ที่ไหนรักษาอย่างไรผลของสินได้ความสงบอย่างไรเราไม่ได้มาแก้ไขเรื่องกายเคลื่อนไหวทางกายของเราให้ถูกต้อง ไม่เบียดเบียนการทางกายสับใดแล้วเรายังไม่ได้ผลอนเนสงฆ์ของศีลอย่างสมบูรณ์เลยยังไม่ได้แก้ไขเรื่องคทำโทษเราอยู่คนเดียวมันก็มีอะไรศีลเรไปทําอะไรกับใครการทาศีลเมื่อเรามาร่วมกันสองคนสามคนขึ้นไปเราไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน มีเมตตาซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นศีลกับเมตตาจึงเป็นคู่กันเห็นเราเบียดเบียนเขาเขาก็ไม่พอใจเมื่อเขามาเบียดเบียนเราบ้างเราก็ไม่พอใจนะเพราะฉะนั้นศีลก็อยู่ในทุกคนอยู่คนละครึ่งกลางเห็นอกเห็นใจกัน จึงเป็นมัชฌิมาปฏิปทาจึงเป็นหนทางสายกลางมรรคแปดจึงเป็นสัมมาตมมันโตสัมมาวาจาและสัมมาอาชีโรนี่ทราบไหมว่านี่เป็นอรยิยสัตว์ถ้าเราไม่เห็นเรื่องกายวาจาใจเราไปเห็นอรยิยสัจที่ไหนมันอยูที่ไหนมรรคขั้นสอรยิยสัจทุกสมุทยัยนิโรธมรรค ใครๆก็จำได้ถ้าเราไม่เจริญอันนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วมันจะสะอาดบริสุทธิ์ทองใสผลมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรตัวในรอดเมื่อเรายังไม่ยังไม่สมบูรณ์ด้วยส ม, มาธิคือความเห็นกายเลยเห็นว่าจารเละเห็นจิตใจเรายังไม่เห็นสินแต่สินยังไม่รู้จักจับเขานากัก รับถมสัเท่าไ่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะพืชพื้นฐานมันมันไม่มั่นคงเหมือนกับเราเอามาล็ดเข้าไปว่านลงในป่าในยาที่ไม่ได้ถากถางไม่ได้เผาผ่านเลย mm hmm. แล้วก็เราก็ยังหวังจะมาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการว่านพืชลงไปในนาที่เราไม่ได้ถกากถังพื้นดินให้ ดูแลน้ำให้บริบูรณ์แล้วไม่จะได้ผลอย่างไรนี่แหละท่านเรียกว่า ง, งมง่ายพวกเรายังไม่พ้นจากความงมงายอยากเจได้พระนิพพานอยากจะพ้นจากทุกข์ไม่อยากจะมาเกิดอีกแต่เพียงศีลเราก็ยังสร้างสมาสธิในศีลยังไม่ได้เลย <c oughs> ยังไม่ถูกต้องยังไม่สมบูรณ์เลยจะสมามาพิฐิในเรื่องอื่นยิ่งละเอียดกว่านั่นจะเห็นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นขอให้พุทธธบรรษทางหลายจะมองข้ามว่าศีลเป็นชั้นต่ำแล้วไปมุ่งภาวนาแต่พุทโทพุทโทรพระชุดงขวัยูยามป่าตามเขาเออเอาให้พ้นทุกข์ไปสำเร็จอรหารไม่มีทาง เพราะเวรภัยที่มันตามมาจากกายวายจาอันเป็นของหยาบนี่มันติดตาม อ, อยู่ในบ้านก็วุ่นวายสงบอยากไปอยู่ในป่าอยู่ที่จะสงบสงบัดไปอยู่ในป่าแล้วก็เข้ากันไม่ได้กายก็ไม่ได้สํารวมระวังวายจาก็ไม่ได้สํารวมระวังจะเอามผลตรงไหนเราลําคิดดูให้ดีนี่ขอท่านทั้งหลายฝากความคิดอันนี้ไว้ ในเรื่องมักคือหนทางปฏิบัติให้ถึงความสุขที่พระพุทธเจ้าว่าสีเลนสุขจิงๆอย่างสิ้นก็ให้เกิดความสุขคือความสงบตามภาวะของกายและของวาจาเป็นส่วนหนึ่งป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมาก่อกวนจิตใจเป็นกำแพง ป้องประกรัรป้องกันค่าเสด็จจากภายนอกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายบางคนก็มัวแต่รักษาแต่สินห้าแต่กายวาจาจไม่รักษาบางท่านก็รักษาแต่สินแปดแต่กายวาจาไม่รักษาเลยมัวแต่พูดมัวแต่คิดว่าเรามีสินแปดแต่ไม่มี ท้าไหร่ก็มองไม่เห็นเพราะไม่เห็นว่าตายเป็นศีลวาจ้าเป็นศีลเมื่อแต่รักษาละศีลสองร้อยสี่สิบเจ็ดแต่ลืมรักษาศีลห้าศีลแปดมองข้ามไปว่าตัวเองรักษาศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดแต่ลืมศีลห้าไม่ได้สํารวมระวังรักษาเลยของในวัดพระเนมด้วยกันก็หายไม่เอา ขงก๋อไม่รักษากายไม่รักษาวาจาแล้วก็มีเรื่องเลาะกันผิดการฆ่ากาันสิทธิ่าอาจารย์ก็มีมีเรื่องมีเรล่าเก๋อไม่รักษากายไม่รักษาวาจาแล้วก็มีเรื่องมีเหล่านั่นรักษาสินสองรอยี่สิบเจ็ดและลืมสินห้ามันสูงเกินไปมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลาย จะขึ้นบันไดเราต้องขึ้นตามลำดับขั้นตอนต้องตรวจพินิพิจนาตามขั้นตอนอย่าข้ามตอนพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายแต่สมัยขั้งพุทธการท่านปฏิบัติตามขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ไม่มองข้ามไม่ล่วงเกินเพราะว่า ทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ไม่เคยสอนเล่นตรัสเล่นเป็นสัจจะวาจารวุวนแต่เป็นของจริงอย่างประเจอสิ่งไหนที่ไม่จริงพระองค์ไม่ทรงตรัสถ้า อ, องค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทำคำที่เราปัญญาตรัสรู้ของเรานั้น เหลือ <c oughs> ที่จะนํามาแสดงให้เราทั้งหลายให้หมดสิ้นได้ที่เรานํามาใช้มาแสดงนั่นแสดงนิดเดียวเปรียบเหมือนเม็ดทรายในท่อมหาสมุทรที่เรานํามาแสดงนั่นเหมือนเม็ดทรายที่เราเกําไว้ในกำมือของเราเองเอ <c oughs> ทำเราใดที่เราเห็นแล้วพิจรนารณาแล้วเป็นของจริงแต่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่แสดงทำเราใดเป็นของไม่จริงแต่พูดแล้วได้ประโยชน์พระองค์ก็ไม่แสดงทำเราได้เป็นของจริงเป็นของมีประโยชน์ด้วย พระองค์จึงแสดงทำเราได้แสดงแล้วมีประโยชน์ด้วยผู้ฟังเข้าใจด้วยนี่พระองค์ว่ า, าอยู่ที่ไหนพระองค์ก็พยายามเข้าไปให้ถึงได้แสดงธรรมไกรชนเหล่านั้ น, นเพราะฉะนั้นธรรมที่พระองค์ทรงบัญญัติแล้วทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดี ล้วนแต่เป็นสัจจวาจากพระองค์ไม่เคยพูดเล่นไม่เคยกล่าวเล่นอส่วน ท, ทุจริตทางหลายด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจถือว่าเป็นบาปเป็นอกุศลผู้ใดสมาทานแล้วมีผลเป็นทุกข์คาเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสัตว์าจาพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายยาวฝ่าฝืนพระองค์ไม่ได้พูดเล่นเป็นคําจริง ถึงแม้เราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามทำลงไปแล้วต้องเป็นเป็นของที่มีผลทางนั้นไม่ได้ยกเว้นว่าเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเพราะทำลงไปแล้วเสียหายเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรเชิญรวมระวังควรรักษาเราผู้มีเรียกว่ามีศรัทธาต้องเชื่อในคาสอนพระองค์ สิ่งใดที่พระองค์ทรงตรัสว่าไม่ดีควรละเราก็ควรพยายามละสิ่งใดที่ดีมีประโยชน์เราก็ควรพยายามทำพยายามเจริญเพื่อจะได้สลัดออกจากสิ่งที่ไม่ดีการทำความดีนั่นก็เท่ากัเราจะเพื่อพยายามออกห่างจากสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองเพราะจิตใจนี่มันต้องคิดนึกปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากว่าเราไม่ทําความดีแล้วเอมันอยู่ว่างๆเดี๋ยวก็มันไปแต่แตเรื่องไม่ดีนั่นเองถ้าเราลึกความดีอยู่เสมอประจําอยู่เสมอแล้วแล้วความไม่ดีเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทําเหมือนกับเรามาวัดมาอยู่ที่วัดเราก็ต้องทิ้งทางบ้านเราก็ได้อยู่วัดได้ปฏิบัติ เมื่อเรากลับบ้านเราก็ทิ้งวัดอย่างนี้แหละเมื่อเราทำความดีแล้วชั่วเราทิ้งความชั่วห่างจากความชั่วพระพุทธเจ้าจึงสอนได้ทั้งทิ้งความดีแต่เพียงแต่ทิ้งความชั่วทำความดีเท่านั้นไม่เพียงพอถ้าหากว่าจิตเศร้าหมองจิตไม่ฉลาดเดี๋ยวก็ดึงไปดึงมาอยู่อย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นต้องชาระจิตของตนให้ผ่องใสนี่ มันก็ครบทั้งศีลสมาธิปัญญาทั้งสามอย่างนี่เองเออศีลทานศีลภาวนาการภาวนานี้เองทำจิตของตนให้ผ่องใสเพราะเหตุนั้นเราท่านทั้งหลายความสุขนั้น ม, มาจากความสงบสุขของการรักษาศีลสํารวมกายสํารวมวาจา ก็เป็นความสุขส่วนหนึ่งเป็นความสงบส่วนหนึ่งที่ไม่มีเวรไม่มีภัยคอยตามร่างฐานกายตัวของเราสมาธิเป็นเครื่องอบรมจิตใจให้สงบก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งละเอียดยิ่งเข้าไปอีก ละเอียดกว่าความสงบทางกายเพราะการจะมีปฏิกิริยาทางกายทางวายจาก็ต้องจิตคิดนึกมาก่อนเมื่อจิตไม่ดีแล้วปฏิกิริยาออกมาทางกายทางวายจา้าจะดงออกในทางที่ไม่ดีเมื่อจิตใจดีแล้ว ปฏิกิริยาที่แสดงออกมาทางกายวายจาก็แสดงออกมาในทางที่ดีมีคุณมีประโยชน์เพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจด้วยวิธีภาวนาเพื่อจิตใจสงบแล้วก็เกิดความสุขในทางจิตใจในจิตใจที่จะได้สงบนั้นจะต้องอาศัยเป็นมัก คือสติคือความเพียรคือสมาธิคือปัญญาตามสมควรแก่การปฏิบัติเมื่อเราทั้งหลายได้มีความเพียรชอบมีสติระลึอชอบมีจิตตั้งมั่นชอบ ได้อาศัยสถานที่วิเวกสถานที่สงบสนัดประกอบความเพียรแลงทำต่อเนื่องกันไม่หยุดยั้งความเพียของเราต่อเนื่องกันสติอาศัยความเพียร น, นั้นจะลึกต่อเนื่องกันย่อม